พุทธวัตรสวัสดีค่ะพุทธวัตรสวัสดีนำเรามาพบกันในรายการสันนีสนทนาที่ทางสถานีวิทยุ FM106 รครอบครัวข่าววิทยุสทอทรน่นะคะตลอดจนสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งในเครือก็154สถานีค่ะครึ่งชั่วโมงนะคะโดยประมาณในแต่ละวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ตีห้า เราเริ่มต้นวันด้วยความเป็นสิริมงคลสูงสุดที่ท่านทํำได้เองและทําแล้วก็ได้เริ่มต้นจากที่ตัวท่านเองก่อนที่จะเผื่อแผ่ไปให้คนที่อยู่รอบข้างนะคะโดยพระมาร์ชาคาวโรแห่งวัดนาปะพง์ลำลูกกาคลองสิบลูกศิษย์ของพระอาจารย์คึกฤทโสธิพโลเนี่ยนะคะท่านก็จะมา นำในการที่จะให้ท่านเข้าถึงพระสูตรซึ่งเป็นพุทธวจนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและปฏิบัติธรรมไปด้วยกันนมรณการค่ะท่านค ะ, จะเจริญพรวันนี้เราก็มาประพฤติปฏิบัติทางความเพียนผพลกิเลส ด, ด้วยการจเจริญอาณาปณะสติกันต่อพร้อมทั้งฟังพุทธวจนะคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อให้เราได้ทรงจําไว้ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลย พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสสอนถึงเรื่องการเจริญอาณาปาณสติเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอาณาปาณสติเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตาม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 หายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออกทำจิตตสังขารให้รำงับอยู่หายใจเข้าทำจิตตสังขารให้รำงับอยู่หายใจออกนี้เรียกว่า อาณาปานาสติหากจิตเราหลุดออกจากลมหายใจไปคิดในเรื่องอดีตอนาคตความสุขความทุกข์ก็ให้รีบวางความคิดนั้นเสียที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจัดว่าเป็นการละนันทิในการละความเพลินแล้วให้กลับมามีสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจ หรืออิเรบทอื่นๆของร่างกายที่เรียกว่ากายกคตาสติพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถึงอนิสงค์ของอานาปนานสติว่าเป็นเครื่องอยู่ของพระองค์เองโดยท่านได้ตรัสไว้ว่าเพกสุทั้งหลายเมื่อใครผู้ใด จะกล่าวสิ่งใดให้ถูกต้องชอบธรรมว่าเป็นอาริยวิหารก็ดีว่าเป็นพรมวิหารก็ดีว่าเป็นตถาคตวิหารก็ดีเธอเพึองกล่าวอาณาปานสติสมาธินี่แหละว่าเป็นอาริยวิหารว่าเป็นพรมวิหารว่าเป็นตถาคตวิหาร ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดยังไม่รู้ถึงธรรมที่ต้องประสงค์แห่งใจปรารถนาอยู่ซึ่งโยคะเขมธรรมอันไม่มีอะไรยิ่งกว่าภิกษุเหล่านั้นเมื่อเจริญแล้วทำให้มากแล้วซึ่งอาณาปานสติสมาธิ ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งกิเลสทั้งหลายดังนี้แลเพราะฉะนั้นหากเรามาจเจริญให้มากซึ่งอาณาปานสติแล้วเราก็สามารถทำให้กิเลสนั้นสิ้นไปและเราก็สามารถหวังได้ถึงความเป็นภาระอันในปัจจุบันดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า ภิกษุทั้งหลายเมื่ออาณาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ผลอนิสงอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองประการเป็นสิ่งที่หวังได้คืออรหัตผลในปัจจุบันนั่นเทียวหรือว่าถ้ายังมีอุปธิเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี ดังนี้แลสํสหรับวันนี้เราก็ ป, ปฏิบัติทําความเพียรมาได้สมควรแก่เวลาใครจะอยู่ในสมาธิต่อก็ทําได้ใครจะออกจากสมาธิเพื่อมาฟังช่วงถัดไปก็ทําได้สาหรับวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้ก่อนค่ะเท่ากับว่าการเจริญอาณาปานาสตินี้ทําให้สิ้นกิเลสได้ทําให้บรรลุขั้นสูงสุดคือเป็นพระอรหรันต บุคคลได้หรืออย่างถ้าไปไม่ถึงก็ยังได้เป็นตั้งอนาคามีนะคะเป็นอริยะบุคคลขั้น3มน่ะจาก4วันนี้ก็นมัสการขอบคุณพระมาร์คชาคาวโรแห่งวัดนาปาพงลำลูกกาคลอง10ฟเมนอกาสนี้ค่ะเจริญพรท่านฟังค่ะถ้าท่านสนใจหนังสืออาณาปานสติติดตามตอนท้ายของรายการค่ะ